เธอได ต่อไปมุ่งสู่จุดหมายเส้นชัยจะสู้อไรหากคนแตกแยกกันเองในทุกแผ่นดินย่อมมีผู้คนมากมายอาจต่างเชื้อสายอาจหลายเผ่าพันไม่ควรสับสนวัดเคยมีเชื้อชาติใด เกิดใน่ทยโตโตเป็น